เพื่อฟังที่ครบค่ผ่านไปนะคะกับการที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพุท้ทวัจนะได้ประโยชน์มากและก็ยังมีประโยชน์ที่จะเพิ่มเติมให้อีกสําหรับท่านที่ต้องการฟังในลักษณะของการถามตอบปุชาวิสัชนาหรือที่ทางพุท้ทวัจนะจะเรียกกันว่าเป็นปฏิปุจชาวินีตามียาวกันนี้อีกเดี๋ยวไปถามท่านไปบูนนะคะอย่างไรก็ตามช่วงที่เราจะพูดกันต่อไป มีชื่อเฉพาะอยู่แล้วเป็นการให้คาจํากัดความของการที่ถามคําถามแล้วนําเอาคําที่พระพุทธองค์ตรัสหรือพุทธวจนะมาตอบจึงเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคอือช่วงชื่อเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนั่นเองเราไปกราบเรียนนวัตสการพระอาจารย์ประจําในช่วงนี้นะคะก็คือพระสงฆ์จากวัดวัดป่าดอนายโศกอุดรธานีพระพบูบุอ์อภิปุณโญค่ะกราบนวัตสการกันนะคะเชิญพาน ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีคอสปฏิบัติธรรมอีกเช่นเคยนะคะใช่ใชเดือนเดือนละครั้งอนนคอสนี้อหลักสูตรนี้ก็มีคนมามากนะทั้งที่ว่าช่วงฤดูฝนโดยปะกะติแล้วก็จะมีคนมาน้อยคงจะเป็นเพราะว่ามัน อ, อคือคนก็อยากจะหาทางพ้นทุกข์กันนะแต่ามาว่าท่านกำลัจะบอกคนสมัยนี้สงสัยทุกข์มากกว่าเมื่อก่อนหรือไงคะคือว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันมาก มันคือผัสสะของคนสมัยนี้นะมากกว่าคนสมัยก่อนแน่นอนแต่ถ้าคุณโยมติ๋ลองดูขับรถจากที่บ้านไปที่ทํางานนะสิปีที่แล้วกับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้คนระเรื่องกันเลยนะเราไม่ต้องดูถึงเรื่องอการจราจรติดขัดหรืออะไรนะมันธรรมดาแล้วนะเราดูเอาแค่ป้ายโฆษณานะหรือเราดูจํานวนป้ายโฆษณาจานวนสิ่งต่างๆที่มันจะคอยมาดึงจิตของเราไปโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะเราผู้เจ้าก็เคยพูดถึงว่าผัสสะนี่แหละเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ นะเพรา ะ, ะนั้นถ้าเรามีภาษามากเรายิ่งจะเอ้ยมันมันเริ่มจะมีเหตุของความทุกข์มาให้เราโดนเรามากขึ้นนะค่ะขณะที่ท่านพูดกาศแบบ น, นี้ที่ั่นต้องถามเรื่องการใช้โทรศัพท์ของคนปัจจุบันนี่เลยเอก็ดูเหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะของมนุษย์ก็ว่าได้นะคะ <laughs> คือเหมือนกับมือเราเนี่ยต้องทํางานกับโทรศัพท์ประเภทที่เขาเรียกอะไรนะคะท่านที่มันใช้งานได้เยอะๆนี่ค่ะสมาร์ทโฟนไหมอ่าพวกสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะคะอื การที่เรากดกึกไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวดู l ล n e เดี๋ยวดู Whatsapp เดี๋วดู Message เดี๋ยวดูอีเมลในเครื่องเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ยังรวมทั้งเล่นเกมบ้างมีโปรแกรมให้แต่งภาพทำนว่นทำนี่บ้าง อ, อย่างนี้ผัสสะของเราเป็นยังไงคะเนี่ยก็จะเป็นถูกดึงไปตลอดนะผู้เชา่าเคยพูดถึงผัสสะตรงนี้เนี่ยมันมาทางอินรีคือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจ แล้วมันก็เป็นเครื่องเป็นช่องทางเว่างั้นเถอะที่จะให้สิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่จิตของเราได้ทีนี้ประเด็นที่คุณโยมติ๋วพูดถึงว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะเหมือนกับว่าเรามีมือถือเป็นเครื่องอยู่นะมือถือเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวแล้วเราก็ไปดูมือถือเราก็ไปดูมือถืออย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยให้ซึ่งจริงๆแล้วพุทธเจ้าให้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ให้เอาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ เดีเดียวเราก็กลับไปที่เราไม่ใช่เ ด, เดี๋ยวเรา ก, กลับไปที่เราไม่ใช่ถึงจะถูกตั ง, งค์ท่านคะแล้วถ้าสมมตินะคะในวิธีที่จะให้มีสติสติปฐานใช่ไหมคะใช่คะถ้าเราทบทวนสิ่งที่พูดทงกรัดก็คือสติปฐานสอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมถูกไหมคะใช่ใช่คือมีสติที่กายมีสติอยู่ที่เวทนาคือความรู้สึกต่าง มีสติอยู่ที่จิตคือผู้รู้รและมีสติที่ทำคื อ, อคือค อ, อ, อย่างพวกอริยสัจสี่นิน 5, วรณ์ห้าโชงเจ็ดพวกนี้ได้หมดเลยใช่ค่ะก็เท่ากับว่าทางเลือกในการมีสติตั้งอยู่เนี่ยเป็นเครื่องอยู่เนี่ยก็มี เ, เออยอะถูกไหมคะใช่ทีถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าเอามือถือเป็นเครื่องอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอา ลม <ลง S 2> หายใ จ, ยใจเป็เครื่องอยู่เป็นอาณาปานาสติคือสติที่ลมหายใจถูกต้อองในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเยอะไหนๆเราก็จะต้องติดโทรศัพท์แล้วเราเอาเป็นอโทรศัพท์เป็นเครื่องอยู่สติประธานอยู่ที่โทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะอืมด้วยวิธีใดได้คะ่ะอคือถ้าคนคนทําเป็นแล้วเนี่ยมันจะได้อยูนะ่คือหมายความว่าสติเนี่ยคือความ ระลึกไดนะ้ถ้าเราดูความหมายเฉยนะความหมายความว่า ส, สติในคุณโยมตี๋แปะว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่กระทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้อันนี้คือความหมายที่หนึ่งทีนี้ถามว่าเรามาระลึกถึงอะไรนะเรามาดูดีๆเราก็นึกถึงลมหายใจเป็นต้นอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเรามาดูลมหายใจเนี่ยบางทีลมมันเข้าลมมันออกมันมีความคิดแหล่งต่างพวกนี้พรนะเจ้าก็ได้อ พูดลักษณะว่าให้จิตของเราอยู่ที่เดียวนันคือตําแหน่งที่เรารู้ลมใจใจเนี่ยเพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ตามลมไม่ตามความคิดอย่างเงี้ยอาการที่เราไม่ตามไม่ตามความคิดไม่ตามลมนะไม่ได้ฝืนความคิดไม่ได้ฝืนลมพวกเนี้ยอาการที่เราไม่ฝืนไม่ตามเนี่ยมันก็จะอธิบายยังไงเราก็ต้องพูดว่ารู้อยู่เฉยๆใช่ไหมเพราะนั้นเวลามีสิ่งใดมากระทบอย่างเช่นโทรศพัพท์มืออตังติ๊ตี๊ขึ้นมาอย่างเงี้ย นะอาการที่เราไม่ตามอาการที่เราไม่ฝืนอาการที่เราไม่ได้กลัวไม่ได้ขยะกขยงกับมันไม่ได้ลุ่มหลงตกตกตก อ, อกตกใจกับมันตรงเนี้คุณมีสติในสิ่งที่มากระทบนั้นได้ทันที mm hmm. ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่รอบคอบมากนะละเอียดมากนะตรงนีนะ้เราจะดูโทรศัพท์มือถือเราก็มีสติไดนะ้เราจะกินข้าวพูดคุยเรามีสติได้หมดถ้าเราไม่ตามคือจิตตามตามเนี่ยหมายความว่าเราตามอารมณ์นั้นไปเนี่ยเราไม่ตาม หรือว่าเราไม่กลัวเราไม่ได้วิ่งหนีเราไม่ได้ฝืนถ้าเราไม่ได้ตามไม่ได้ฝืนลนนนักษณะนี้เรารู้อยู่เฉยอาการที่เรารู้อยู่เฉยนั่นแหละคือสติได้เหมือนกันค่ ะ, ะนั้นนั้นจะว่าไปถ้าพูดถึงเรื่องทั่วไปที่ใช้กันอยู่คือใช้กันจนกระทั่งบางครั้งมีคำกล่าวกันไม่ใช่บางครั้งค่ะเกิดทุกครั้งท่าไปร่วมหมู่กันนัดหมายกันไปแล้วต่างคนตายอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเอง ก็จะถูกตัดเพราะว่าเอ้ยอย่างนี้ใช้โทรศัพท์คุยคดีมั้งหรือว่าไม่ต้องมาเจอกันดีกว่าเพราะมาแล้วสติหรือสมาธิไม่ได้อยู่กับคนที่มาพบแต่อยู่กับโทรศัพท์แต่อย่างไรก็ตามอันนี้แปลว่าจิตมันส่งออกมากภาษามันเยอะใช่ไหมคะใช่ใชแล้วมันจะทําให้จัดการอ่ากับความทุกข์ได้ยากกับความทุกข์ได้ยากนีท่านที่ใช้โทรศัพท์เยอะๆดิฉันด้วยนะคะระยะหลังเนี่ยมันกินมันเหมือนกับว่า พอมันมีมันก็ต้องกดดูเพื่อนกังวลเมื่อใครส่งอะไรมาให้เรานี่แหละคือประเด็นแทนที่เราจะเราจะเขาเรียกว่าใช้มันมันกลับมาเป็นนายของเราเรากลับเป็นทาสของมันนั่แหละคือลักษณะของมารลักษณะของผัสสะเนี่ยว่าเอ๊ะเราจะใช้ตาหูจมูกกลืนไก่ใจของเราตามที่เราต้องการจะจะเป็นเอ๊ะแต่ไปไปมาๆนี่มันกลับมาใช้เราเป็นเหมือนกับเราเป็นทาสของมันอาการที่เราเป็นทาสของมันตรงเนี้ยปริชาบอกว่าอันเนี้ย คืออุทธักรกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านลำการใจนะคนการเป็นธาตของมันคืออุทธักรกุกุจจะใช่คนที่เป็นองคุณยมติวนึกออกถึงคนที่เป็นทาตุนะเดี๋ยวเจ้านายคนนี้ใช้ไปถูพื้นคนนี้ใช้ไปกวาดบ้านคนนี้ใช้ไปทํานู่นซื้อของอะไรต่างโอ้เราไม่มีอิสระเลยค่ะเช่นเดียวกันตอนเนี้จิตของเราเนี่ยถ้าคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะเดี๋ยวตาก็ดึงไปหูก็ดึงไปความคิดอดีตอนาคตดึงไปหมดมันก็จะไม่มีอิสระเราเป็นทาตของภัษสะเหล่านี้ เราจะมีความทุกข์มากเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายก็ลองทบทวนดูให้ดีกันแล้วกันพฤติกรรที่คนส่วนใหญ่ปบนโลกใบนี้ที่ของผู้ใช้เนี่ยเป็นคล้ายๆกันทั้งหมด <c oughs> ว่าท่านถึงพอใจที่จะอยู่กับเขาแล้วพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าผัสสะถ้าเกิดเยอะเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ <c oughs> มันก็จะจัดการความทุกข์ได้ยาก <c oughs> อย่างนี้ต่อไปหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งคืออยู่กับโทรศัพท์และอย่างที่ท่านไปบุญได้แนะนํา บอกว่าอยู่กับเขาอย่างไม่เป็นทาสใช่ไหมคะไม่ไหลไปตามแล้วก็ไม่ฝืนไม่ได้เกรงกลัวถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ใช่ท่านคะสมมตินะคะที่ท่านต้องสมมติสถานการณ์จริงเดี๋ยวท่านจะตีความมันไม่ออกอเพราะตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันมันเข้าใจถูกไหมเช่นก็ยังถือโทรศัพท์อยู่หรืออาจจะนั่งประชุมอยู่อะไรอยู่ก็วางโทรศพัพท์ไปข้างหน้าแล้วก็ชำเลืองอแล้วค่อยจิ้มดู มาหรือเปล่ามีจุดแดงแล้วมีจุดแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราจิ้มแบบรู้รู้อยู่แค่ดูพอดูมีสิ่งที่ให้เราดูมีสัญญาณส่งมาเราอยู่ที่แค่เห็นรู้ว่าส่งมาอย่างนี้เออ ม, มันมันมีสองขั้นตอนตรงนี้ก่อนด้วยคือหมายความว่าในขณะที่เราคุณกำลังทำอะไรอยู่ก่อนไหนถ้าคุณประชุมอยู่คุณเขียนหนังสืออยู่คุณพูดอยู่อย่างเงี้ย จิตของเราควรจะต้องจดจ่ออยู่กับงานการตรงนั้นนะเรื่องอื่นเราไม่ต้องคิดเลยแสดงว่าตอนนี้เราเราไปคิดนอกเรื่องแล้วที่เราจะต้องมาจิ้มดูโทรศัพท์แต่ถ้าไม่ใช่วาระที่เราจะต้องมาสังเกตแบบว่าทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคือจิตของเราไม่ได้ไปอยู่ <c oughs> กับสิ่งอื่นอย่างเงี้ยเราจะมาดูตรงนี้โดยที่ไม่ได้มีความกังวลนะไม่ได้มีความฝืนบังคับเอาอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เป็นไรค <c oughs> ่ะเพราะว่า <c oughs> ในการที่จะให้อะไรก็แล้วแต่เป็นที่ตั้งของสติซึ่งจริงๆพระองค์พูดแค่สี่อย่างหลักๆนะค ะ, ะก็ะต้องเป็นเพียงแค่เป็นที่ตั้งของสติคือเอาสติไปอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองคือคือตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงอย่างสมมุติกายถ้าพูดถึงกายเนี่ยก็มีหลายอย่างกันเวทนาก็มีหลายอย่างจิตก็มีหลายอย่างธรรมก็มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรา พูดถึงว่าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าการทํางานของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคือก็ต้องบอกงี้ว่าระลึกถึงเนี่ยระลึกถึงจากอะไรคือหมือนก็ว่าเราหลีกออกจากอะไรก็ต้องหลีกออกจากสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลธรรมทั้งหลายนะคือจิตของเราเนี่ยจะต้องหลุดออกจากอยู่ห่างๆเลยจากสิ่งที่เป็นอ ก, กุศนะลธรรมแล้วเราทําว่าจะใชใ้เครื่องดึงอะไระใชใ้เครื่องอยู่อะไรใช้อะไรมันเป็นตัวที่ให้เรามาเกาะไดนะ้ก็คือกลายเป็นาตุจิตธรรม แถามว่าถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือการทำงานของคุณทำให้จิตของคุณเนี่ยอยู่ไกลๆจากสิ่งที่เป็นอกุศลมีความกังวลไปบ้างมีความอยากดูบ้างเนี้ยถ้าเราทำได้นะอันนี้คุณก็ถือว่าคุณจะตรงนั้นมีสติละอื ม, อมนะคะก็เราเพิจารณาดูก็แล้วกันที่ท่านเองคิดว่าวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมากๆท่านเพรบุญกในไหนก็ว่ามาจริงๆตั้งใจจะถามคาถามอื่น แต่พพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังบางคนซึ่งอาจจะไม่เข้าใจอยู่ว่าคุยอะไรกับท่านอาจารย์น้ากราบเรียนถามท่านอาจารย์อย่างไรนะท่านช่วยสรุปในช่วงท้ายๆรายการนี้ให้พอเข้าใจได้เลยเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานว่าคือ อ, อะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรทำอย่างไรเราทำได้ไหมขอบพระคุณค่ะสติก็คือความระลึกได้แบบภาษาไทย ก็คือหมายความว่าเรานึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยนะสมมุติเราทํางานอยู่เราก็เอ้ยนึกถึงบ้านนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นะตรงนี้ก็คือเป็นสติทั่วๆไปแต่นี้พระเจ้าพูดถึงสมาสตินันคือการที่เราเราทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่เราอุ๊ยเอยฉันฉันต้องทําสิ่งดีดีละอย่างเงี้ยนี่ก็คือมีสตินะถามว่าไอ้ที่คุณจะไปนึกว่าฉันต้องทําสิ่งดีดีแล้วเนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่จะเป็นมาระลึกถึงได้บ้างนะพระเจ้าก็อธิบายถึงกายเวทนาจิตธรรม นะัคือใช้กายมีลมหายใจก็ไดนะ้เวทนาอาจจะเป็นความรู้สึกที่เกิดจากลมหายใจคือคือ4อย่างเนี่ยกุญยมติ๋วก็จะพูดง่ายๆก็คือลมหายใจทั้งหมดนั่นแหละสี่นะอย่างนี้คือลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องอยู่นะให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะจิตของเราที่มันจะต้องไหลไปเป็นธาตุของโทรศัพท์มือถือไหลไปตามอารมณ์คําพูดสิ่งที่คนมาพูดกระทบหูเรานะเราก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งนั้น เราก <Okay. S 1> ็ายังมีลมใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่ได้ <Okay. S 1> ทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจไปว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันต้องกัเกณฑ์ว่าเดี๋ยวฉันทําเวทนาก่อนแล้วเดีค่อยปีหน้าค่อยเริ่มทําธรรมนุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 1> มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมาด้วยกันนะที่พระเจ้ายกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเรือนหลังหนึ่งเป็นศาลาเนี่ยนะคุณจะ <Okay. S 1> เข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกอะไรต่างา ม, มันก็มาอยู่ที่ในอาคารนี้เหมือนกันหมด เช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องการคือสติเนี่ยนะถ้าคุณใช้กายเวทนาจิตทม <c oughs> แล้วก็มาอันเดียวกันหมดคุณเห็นลมหายใจกอทุกอย่างก็มาด้วยกันหมดอย่างเงี้ยง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกคนควรทาทำแล้วมีผลใหญ่ได้ผลมากใช่แล ะ, ะสามารถจะกระทำได้คือคืองอย่างน้อ ย, ยอเข้าใจ คืออย่างน้อยคนที่เขาเขาทําได้เนี่ยคนโยมติว๋วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตเขานับวินาทีนั้นเลยเนี่ยนะคือจิตเขาเนี่ยจะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีพวกอคติศนลธรรมทั้งหลายพอไม่มีแล้วเนี่ยเขาจะสามารถตัดสินใจการงานพูดจาได้อย่างกล่องแกล้วสามารถที่จะพินิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเพราะว่าจิตมันจิตมันมีกําลังนี่ถูกไหมค่ะตรงนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนแน่นอนเลยค่ะก็ ลองพิจารณาดูคือที่ฉันเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาถ้าใครขอให้อวยพรวันเกิดที่เจอนุ่น้องลุ่งๆกนนะคะและก่อนหน้านี้เขาจะเคยปรารพมีความไม่สบายใจในเรื่องหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นั่นก็จะบอกเขาบอกว่าถ้าจะให้อวยพรให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดจะต้องทำเองแล้วก็พยายามจะบอกเขาให้เขาปฏิบรระะัติรอะนอา ีนี้สมมุติเกิดมีท่างฟังท่านใดเนี่ยกำลังวันเกิดตอนนี้เลยอยากจะฟังว่าพรที่ดีที่สุดที่คุณสันสนีว่าปฏิบททัติธรรมสิมันปฏิบัติง่ายหรอแล้วก็สอนได้ไหมง่ายๆสั้นๆขอเป็นของขวัญวารเกิดมันพอจะให้ได้เลยไหมคะไมได้เลยคนโดยเฉพย่างยิ่คนที่เกิดในวันที่เกิดของเราเนี่ยนะเออมันเราสามารถเห็นธรรมะได้เลยเพราะว่าความเกิดเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ถ้าเราเห็นธรรมชาติของความเกิดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้ธรรมะเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเกิดตรงนี้คืออะไรก็คือลักษณะว่ามันมันนำชีวิตนี้มาให้เรามาทําให้เรามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างในะสภาพที่ทุกข์บ้างสุขบ้างมีการเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยคือความทุกข์ในความหมายพระเจ้าในะให้เรามีวิธีแก้ไหมในวิธีแก้พระเจ้าก็ให้พูดถึงมรคมรเมืององ8เนี่ยสามารถที่จะทําให้เราแก้ไขปัญหาไอ้ความเปลี่ยนแปลงของความเกิดนี้ได้ เงี้ยเราก็ถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหความเกิดตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามาสารเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไอ้วันเกิดของคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นประโยชน์ที่คุณจะได้รับในการเห็นธรรมด้วยแต่บุคคลจะเห็นตรงนี้ได้คุณต้องมีสติแต่เพราะฉะนั้นถ้าในวันเกิดคุณมีสติคุณเห็นธรรมะได้อ่าดีมากแต่ท่านพูดให้น้ำหนักเกินความจริงเลยนะคะว่าตัวเองปฏิบัติธรรมนี่แหละคือของขวัญที่ดีที่สุด อันนี้ก็พูดสอดคล้องกับพุทธวจนะที่ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมทนีนี้ในการอวยพรอาจจะพูดถึงว่าเออคนที่มีสติก็จะมีความปลอดภัยในการเดินทางอย่างเงี้ยคล้วก็เหมือนกับว่าเราอวยพรให้คุณมีความปลอดภัยในการเดินทางนะโดยที่คุณมีต้องมีสตินะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็คิดซะว่าวันนี้ท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วท่านเพรียบูรณหรือว่าพระเพบูรณ์อภิบุณโนโจักวิาปารหายโศกนํำออกมาให้ ในทุกๆเรื่องเลยนะคะก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสละเวลาที่จะต้องเฝ้าสอนผู้ปฏิบัติธรรมมาให้ธรรมะกับเราค่ะกลับน้มัสการค่ะเดีนปอนท่านฟังที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสัมมนีสนทนาที่ชั้น ส, มสนัมมนาคพงศ์เดเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุ FM ฟเอ้อและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะเรามีหนังสือผู้ทวัจะนะแจกให้ท่านเป็นประจําวันละสามท่านเป็น หนังสือที่พระอาจารย์คึกฤทิมอบให้มาจากวัดนาปพงค่ะวันนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ